พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห0สลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กลกุมภาพัน2 5ง5หห้ามีชื่อเรื่องว่าภิกษุณียังมีอยู่หรือไม่ ลานมั่นปรธรรมวันเรื่องถวายกุฏิก็เอาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเมื่อวานในหลวงพ่อเองไปดูกุฏิก็ยังยังไม่ได้ติดหน้าต่างอยู่แต่ว่าคิดว่าจะติดวันนี้ถ้าวันที่ยี่บเอ็ดเนี่ยพระท่านบอกว่าทันสบายสบายที่ยี่บเอ็ดตอนเช้าอย่างนี้นะฉันจะขันเสร็จแล้วค่อยไปถวาย วันที่ยี่สิบนี่จะจดเร็วไปสักหน่อยเมื่อเช้ า, ม า, าเมื่อวานนี่ครับพวกผู้เท่าไปให้ไปทำทางเดินจงกรมพอสร้างกุฏิขึ้นมาแล้วหลวงพ่อให้ทำทางเดินจงกรมพร้อมแต่ว่ากูบาในสกยันมอ่า น, น่นนะทางเดินจงกรมดีปัญญวันที่ยี่สิบเอ็ดคงจะมาตอนเช้าจังหัน อย่างเนี้ยจากนั้นเขไปกล่าวคำถวายเสยนาสนะพวกกูบาให้เบิงนะเบิงตำลาวไว้กล่าวคำถวายเสยนาชนะกล่าวจังใดเสนาสนะเป็นของสาธารณะพระสงฆ์สมณเณรมาในทิศทั้งสี่ไม่จำเพาะเจาะจง องไหนมาจะมาภาวนาก็ได้จะมาปฏิบัติก็ได้จะมาภาวนาก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงพระสงมาในทิศทั้งสี่เป็นเสนาธนาสูงถาวายในานามของสงฆ์หลวงพ่อว้ดดีเลยถาวายเจนาสนะการคู่บาอาจารย์องค์ไหนขึ้นไปเปิ้นก็นต้องภาวนาของเพลิน มาในทิศทางสีตางองค์ตังภาวนาก็มีหน่อยองค์มากต่ามาเถลอถล่ลาแบบบวชเขามาบ่มีจุดหมายปลายทางบ่มีจุดหมายปลายทางเอออันนั้นก็มีอยู่เข้าเขาว่าที่ดีทุกองแต่โดยมากแล้วก็ต้องมาอยู่จังวัดป่าก็ต้องเป็นผู้เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาสนใจในเรื่องภาวนา การภาวนาจะจะมายอยู่ในอยู่ในปลาถุงพงไผ่เลยเมื่อภาวนาแล้วก็ยากหน่อยจะต้องได้หลับความสงบทั้งจิตใจภาวนายากมากกว่านั้นกันจิตใจสงบเป็นพื้นฐานเป็นอัปปนาสมาธิมากกว่านั้นเกินไปก็เป็นพระอริยบุคคลในเสนาสนะที่เท่าได้สางไว สั่งให้เพิพ่นาวนาตลวงพอว่าโอ้ถับเพิ่นในพวนาเพินพ่นได้ เ, เป็นพระรหานกับในกุฏิของเข้านี่บุญกุศลมหาศาลน่ะเพราเหตุใดเพราะว่าเพิ่นได้พวนาได้สาเร็จมักสําเร็จผลในเสนาธนที่เข้าสัาง่งเข้าก็เป็นบุญเป็นกุศลไปนั่งมากไมก้อย่างหลวงตามหาบัวน่ะิุญว่าเพิ่นได้สำเร็จ จูวัดดอยธรรมเจดีกุฏิลังห น, หน่อยๆอยู่ก่อนขี่หินเพิ่งยังน้ำลึกถึงบุญคุ้นกุฏิลังนี้ตลอดเป็นว่าลงตาเป็นว่าไปปัดใดเบิ่งไปเบิงไปเบิงหมองที่เป็นภาวานาแต่เิ็นได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในกุฏิลังนั้นวันการสางเสนาชนะถวายสงูงและก็เป็นบุญเป็นกุศลมากทีเดียว คือการข้าเส้าสางลุงแร่บไปกนันผู้ใดมาพักเข้าก็เก็บคาลุงแร่บคาพักอันนี้คือกันเวลากู้บ่ายจานองใดญาติโนมผู้ใดมาพักเข้ากับเก็บบุญเก็บกุศลใดบุญไดกุศลน้าเพิ่มเพลิ่มมานาั่งไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาหรือในกุติของเข้าอเออวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ด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 มีพวกสัตว์นามหายานพวกธกายมหายานแต่พิจุนีเถราวาดยังไม่ยอมรับกันเถราวาดอย่างพวกเราเนะี่ยลังกาพม่าลาวไทยขเขมเรเถรวาดทางประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันทิเบต ไปทางนู้นนะว่าเป็นฝ่ายมหายานที่นุ่งกางเกงแต่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนะแต่ว่าแนวความคิดตลงพ่อว่าอาจจะแปดแตกต่างกันก็นกคือไปทางนู้นมันหนาวมาข้างล่างเนี่ยมันไม่หนาวแต่ประเทศอินเดียมันเป็นประเทศต้นาศาสนาเป็นประเทศต้นพุทธศาสนาคือประเทศอินเดีย แต่ในท่าว่าพระสงฆ์ประกาศศาสนามาทางสีลังกาพมา่าแถบนี้แหละนีแต่ก่อนมิดอินโดอินโดด้วยมาเลยด้วยแต่แตอนี้ศาสนาอิสลามเข้ามาพุทธศาสนาเลยหลีกไปทางอื่นแต่ก่อนก็เนี่ยนะบโรพุทธโธนี่เดียวบุโรพุทธโธนี่เป็นโบสของพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปเต็มไปหมด อินโดนีเซียเป็นเป็นประเทศที่พพุทธศาสนาเข้าไปก่อนปุโลกุฑโธนเห็นแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทีนี้จากนั้นก็หมดไปหมดจากอินโดนีเซียเพราะว่าเกี่ยวกับศาสนาแต่นี้ก็พุทธศาสนาก็เลยมาทางศีรกาพม่าไทยแต่จะหนักแน่นมาทางพม่า ก, กับไทย ที่เป็นที่หนักหนักที่ยังหนักแน่นอยู่แต่ทางนู้นก็ประกาศพระศาสานาไปทางที่เบตทนีทางที่เบตทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันส่วนปากีาสถานเนี่ยปากีาสถานนี่ก็อิสลามเข้าไปอย่างที่อะไรที่เขายิงพระพุทธรูปใหญ่อันนั้นก็ อันนั้นกัพระพุทธศาสนาก็จเจริญอยู่แถวนี้แต่าศาสนาอิสลามเข้าไปพุทธศาสนาก็เลยลดหน่อยไปทั้งอื่ น, นแต่เนี้มาพูดเกี่ยวกับการแต่งกายไม่เหมือนกั น, นการแต่งกายในฝ่ายพระเถระวาดเนี่ยมันก็ใส่ชุดอย่างจีวร อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยคล้องคล้องผ้าแล้วพันๆแล้วก็บิดเข้าไปแต่ในนี้ไปทางเหนือไปทางประเทศ ขึ้นไปทางทิเบตทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันวเวียดนามเป็นบางส่วนเวียดนามอมาะมุนประเทศไล้ไปประกาศาศาสนากับพระพุทธศาสนาเหมือนกันพุทธทางธรรมบางสังขงเหมือนกันแต่ว่าการสอนก็จะแปลกแตกต่างกันการแต่งชุดก็แตกต่างกันเพราะใส่ชุดกางเกงอย่างพวกเราเห็นพระจีนน่ เนี่ก็ทำไมพระพุทธศาสนาจึงไม่เหมือนกันก็คือพอไปทางโน้นทางโน้นไปทางองค์พันหนาวอย่างที่ว่านั่นนะไอหนาวนี่นก็คงจะเปลี่ยนบาลีเปลี่ยนบาลีใหม่อย่างปฏิสังขายโยหรือว่าอัอจฉมยาอภิจเวกคิตวายังจีวรังปริภูตังตังยาวาเดวะสีตะสะอุณสะให้รัาบอกความแปลและความหมายในบาลีบอกว่า การคลองผ้าเนี่ยนุ่งห่มผ้าเนี่ยเพื่อกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงกันอารไอคือการคลองผ้าแต่ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้เป็นที่เรียบร้อยไอ้ทางโน้นมันหนาวเดนก็เลยเปลี่ยนเป็นบาลีไหมอในพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือกันร้อนกันหนาวน่ะถ้าห่มอย่างพระทางมาทางภาคใต้เนี่ย มันกันหนาวไม่ได้แน่มันจีวรพื้นใหญ่มันลุ่มล่ามนะดังน้นเขาก็เลยคงจะทําให้เป็นกางเกงขึ้นมาหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เด่นตําราที่ไหนหรอกแต่ว่าใช้ชุดต่างกันน่ะดังนั้นก็เลยมีชุดต่างกันแต่พ่อบาลีในการศึกษาต่างกันไหมก็ต่างกันอีกเหมือนกันคือทางทางดรญี่ปุ่น่ะเขาบอกว่า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 ท่านจะพูดอ น, นันต์ผิดนะอ น, นันไม่ถูกนะลูกศิษย์ลูกหาเขายึดตามแต่ยุคนั้นพอยุคใหม่ขึ้นมาอีกกูบาอาจารย์ดังขึ้นมาอีกก็เอาตามองนั้นตามแนวความคิดเห็นองค์นั้นแต่ทางเถระวาดเนี่ยใหม่ทั้งเถราวาดองคไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยต้องยึดเป็นหลักไว้อยู่องค์ไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกนี่ยัง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 พระสูตรพระวินัยพระ อ, อภิธรรมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับกดระเบียบแต่ทีนี้ทําไมพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้คือพุทธบริษัทสีของเราภิกษุดีเกิดมา ก, ก่อนคือพระพุทธเจ้าให้นางโคตเมพระแม่เลี้ยงบวชเป็นท่านแรกบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก่อน ภิกษุเนี่ยเาบวชกันมาเรื่อยๆภิกษุณีมีศีลสามร้อยนะสามร้อยกว่าแต่พระภิกษุมีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้าว่าศีลมากศีลน้อยเนี่ยเอ่อทำไมจึงมีศีลมากเป็นผู้หญิงทําไมศีลมากผู้ชายทำไมทำไมศีลน้อยสมเณรนี่ศีลสิบสมณเณรลีก็ศีลสิบสิกขมานาสิกขานานี่ หลวงพ่อไม่มั่นใจว่ามีศินเท่าไหร่แต่พระปิกสุนีมีอยู่สามแต่ปิกษูนีมีอยู่สองปิกสูนีมีอยู่ปิกษุกสัมมาเนปิกษูนี่ก็คือศินสองร้อยี่สิบเจ็ดสัมมนเนป ก, ก็คือสิน 7, สิบ อ, อันนี้พวกเราเห็นแต่ปิกสุนีเนี่มีอยู่ศินสามร้อยกว่าแล้วก็สิกขมานาแล้วก็มีสั ม, มนเณปอีกแต่นี้พอบวชเข้ามาแล้วแต่นี้ก็ ภิกษุสัมเณนเอเอก็ไม่ว่ากันพวกเราเห็นแภิกษุณีเนี่ทําไมมีศีลมากเพราะศีลมากภิกษุณีถ้าทําผิดนะเพราะพุทธเจ้าก็บัญญัติบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลแออคําว่าศีลมากก็ไม่ใช่อื่นใครนะี่ยคือแค่คนที่ดื้อนนะั่นแหะเออ ม, มันดื้อด้านเพราะพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลห้ามาให้ทํา พอทำผิดก็มาห้ามไม่ให้ทำแต่เราสรุปแบบง่ายๆก็ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยดื้อโอ้ผู้ชายหลวงพ่อว่านะถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ว่าโอโ้ไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงมัญญฉินครอบงำฝ่ายผู้หญิงนี่มากกว่าทั้งที่ไม่น่าจะมากแต่สินนี่คืออะไรคือกดและเบียบสินสามร้อยของภิกษุณีแต่นี้สมมเนนถะี่ สมณเณรสมณเณรี่ส ม, มนเณรคือศีลสิบเหมือนกับพระถ้าวัาสมมนสมเณรบวชเป็นสมณเณรแล้วแบบพออายุครบพอครบยี่สิบบวชเป็นสิกขานาศิกขานาในใคล้ายๆเตรียมพร้อมที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีถ้าบวชเป็นสิกขมามนาเนี่ยสองปีหรือสี่ปีหลวงพอเคยจำไม่ชัดตัวนี้บวชเป็นศิกขมามนาอีกสองปี ไม่ผิดศีลไม่ล่วงละเมิดศีลมีฮิลิโอตปะอยู่ในศีลของสิกขมานาภิกษุณีก็เห็นว่าเออสิกขมานากคนนี้เป็นผู้มีฮิลิโอตปะเป็นผู้สำรวมในศีลดีก็ยกเสนอขึ้นมาฝ่ายภิกษณุณีภิกษุณีก็บวชพอบวชเสร็จแล้วก็เสนอมาฝ่ายพระเอกพระสงฆ์ก็ต้องมาบวช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 แม้แต่ข้อเดียวนะแปลว่าให้ไม่ให้บวชนะเอี่ยแปลว่าตกไปเลยต้องตั้งต้นใหม่อีกแปลว่าล่วงและเมิดสินเหมือนพิษุนีนะไ ม, ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทอนี้ต่อมาเท่านี้พอต่อมาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าที่ในตำราเขาบอกพระไตรปิฎกเขบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานสามร้อยปีสามร้อยกว่าปีที่พญาต อ, อโศกเอขึ้น มาในข่าวนั้นก็ยังมิมีภิกษุณีอยู่ทางฝ่ายเทราวาฏพอต่อมาอีกถึงมันเกิดศึกสงครามไม่รูกอะไรต่อมีอะไรอีลงตุงนางกันทั้งหมดเล ย, เยก็เลยไม่ให้ผู้หญิงบวชเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ปลอดภัยไม่รู้ศาสนาอิสลามละอะไรลักษณะอย่างนั้นแหล ะ, ะก็เลยผู้หญิงก็เลยไม่ให้บวชก็เลยภิกษณุณีก็เลยหมดโดยปริยายอไม่มีภิกษณุณีมีแต่พระ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 ทางฝ่ายภิกษุณีทางนู้นสิกขมานาและก็สัมมเณนทางฝ่ายมหายานที่ว่าพระท่านนุ่งกางเกงเน่ยท่านกว่ากลุ่มของท่านเนี่ยยังไม่สูญเชื้อทางภิกษุนีทางฝ่ายพระสงฆ์ของเราทางฝ่ายเราเนี่ยทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยบอกว่าสูญแล้วสูญแล้วพิกซุนีสิกขมานาไม่ควรจะมีก็เลยบอกว่าพิกษุสัมมเเน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 ถ้าเป็นสัมมาเนนก็สัมมาเนนแก่แล้วไง อ, อายุยี่สิบกว่าเรียกว่าเถ็นแหละไม่ใช่เนนก็เรียกว่าเถ็นทำไมกันนี่แหละความเป็นมาของพุทธศาสนาพวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็คงไม่เคยได้ยินภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเลยทําทไมเมืองไทยจึงไม่มีภิกษุณีสัมมาเนนลีลิชิกขามานาเนี่ะ ความเป็นมาในพระไตรปิฎกนะนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อเองได้ค้นคว้าได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านมากพอสมควรอยู่นะได้ศึกษาอ่านพอสมควรเรื่องพระไตรปิฎกนะสินภิกษุนีมีมากเพราะไอภิกตุณีดื้อว่างั้นแต่พูดง่ายๆฝ่ายผู้หญิงนี่ดื้อเลหลวงพอ่ออ่านอ่านได้ฟังเรื่องพระพิณายหลวงพ่อยังนึกขำอยู่ ก็คือแม่บ้านพ่อบ้านเลยบวชไม่มีลูกมานะไปบวชพอไปบวชทีนี่ภิกษุณีก็บวชเป็นภิกษุณีตั้งฝ่ายพระนลยก็บวชเป็นพระแต่นี้ก็ไปฉันไปฉันในศาลาสารารวมก็คงเป็นสารารวมกั็ทาญาทวงก็คงมาถวายอาหาร่ตั้งฝ่ยภิกษุณีก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่ง ทังฝ่ายพระก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่งลักษณะอย่างงั้นอะแต่วันนั้นเนี่ยฝ่ายพระภิกษุเนี่ยก็เป็นพ่อบ้านเนี่ยบวชบวชก็เคยคงจะจุกจุกจูท้ที่เคยถือว่าเป็นแม่บ้านตัวเองเก่าแก่มัง้งบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่ตัดขาดอย่งนั้นเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยก่ออพนั่งฉันแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยก็เป็นผู้บริการเอถวายน้าําบังถวายนั้นบงัถนนบงถวายนี่บงังลงตาเลยก็ ไอ้ขาดน้ำอา้าวขาดน้ำล้างมืออา้าวขาดัมอกขาดนี่พิกจูนีเนี่ก็คงลำคาญมางั้นได้ไอ้พวกคนล้างคาญด้วยเท้เก็บอกดวงตาเนี่กะอยากจะได้น้ำน้ำล้างมื อ, อยังไงก็ไม่รู้พิกจูนีน่ก็เอาน้ำมากระเทใส่หัวลงตาลวไปเทค้อมใส่หัวลงตาแล้วเอาคอนข้ อ, ก, อก้นกระมังเออทำไม่พูดลำลีลำไรนะักทำไมอะ ลักษณะอย่างนั้นคเอ่อเทวีพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้ภิกษุณีเกินไปละบัญญัติภิกษุณีใดก็ตามเอคุกคามภิกษุปรับอบัติปาจิตตีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังนึือกขํอยู่งั้นเโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาในยุคนั้นสมัยนั้นเออเาน้ำเอาน้ํารดรดหวัวยาวพ่อเสร็จแล้วยังเคาะก่นกระบวยอีกว่างั้นเลอสัมทับอีก ต่อไปอย่าบ่นอย่าว่าอย่าจุกจุกจีกจจ้จนเกินไปในลักษณะนั้ น, น, ส, น, น, น ส, สอบบ่นสอบว่าเลยทีกจุดนี้เขาก็เลยล่ำข้านเนยเอาหนามหดหัวอะไรยังข้อกลงกระมังส้ำทับอีกคนละไปห <c oughs> ลวงพ่อฟังเมืองเลยโอ้โหมอแม่ธรรมดาพระวินัยมีเหตุจ่กร น, นีพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยมคนละไปเออเมดูสมณะเลยนะ ดูแลเรื่องอาหารนะชั้นที่ไหนนะเพิ่นมากจากอินโดนีเซียเอารับฟอนได้เต็ีเล